นะโมตัสสะสัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ อัปปามโนภุดอัปปาโนภุดโตอัปปาโนธรมโมอัปปาโนสังโฆติติมัสสธมริยัสอัตโสายัสมตยิสัธัมโมสตตโ นนปเป็นโอกาสที่ไปเป็นโอกาสที่มีเป็นเวลาที่เป็นลมมงคลเป็นเวลาที่เงียบสงบสนัดเป็นโอกาส ท, ที่จะได้สละรั่งวามโอวา่า เป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมธรรสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพจะได้นำมาสีแจงแสดงการสงวรแก่ตาะเวลาตารเรธรรมธรรมสวัสการฟังธรรมะ ตามการตามเวลาที่เหมาะสมหรือเวลาที่สมควรย่อมนำมาซึ่งความเป็นดมมงคลแก่ชีวิตจิตใจของเราัสูงสุดการฟังธรรมะก็เอาใจของเราฟัง ใจของเราลู่เอาหูของเราฟังหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสเสียงใจเป็นใหญ่ในการรู้เสียงสัมผัสหูเป็นเครื่องรับ แล้วก็ทรงความรู้มาที่ใจหรือใจเป็นผู้ไปรับรู้ในเสียงนั้นๆที่จะเป็นเสียงแห่งธรรมะคือเสียงที่ได้ยินได้ความแล้วนำไปสู่การรู้การเข้าใจในเหตุและผลทางสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริง นี่ว่าเป็นเสียงธรรมที่ให้เกิดความสงสุทางจิตใจจากการได้ยินได้ฟังในข้าเป็นเสียงของอาธรรมเป็นเสียงของพิเนีให้เกิดความเศร้อใจเสียงดุเสียงด่าเสียง ว่าเสียงต่าปิดสิ่งนินทาต่างเสียงโซเีย์ยุบลมส่งเสริมให้เข้าใจคิดจากความเป็นจริงตามเหตุและผลยินให้ฟังแล้วก็จะงเียมใจ หงุดหงิดใแห้งใจเสียงพอดีหมูพอดีใจที่เป็นกูุ่รับรู้สัมผัสจากเสียงสัมผัสหมูรวมในเรื่อเป็นธรรมะ เป็นสภาพที่ส่งไว้ซึ่งการกิงของแต่และสิ่งทุกอยาก่างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้อว่าให้เัาใจฟังทุกท่านทุกคนมาในสถานที่แห่งนี้มาด้วยใจ ด้วยใจมาด้วยเจตนาดีที่เกิดขึ้นสีใจหรือมีใจเป็นผู้รู้ในเจตนา่นั้นว่าเรามาในวันนี้มาสู่วัดธรรมสุขีแห่งนี้แลวก็มาเพื่อแสดงบอกซึ่ง กัญญูกตเวทิตาคุณหรือกัญญูกตเวทิตาธรรมคือความรู้สึกเมตชิตในคุณของพระพุทธเจ้คุณของพระธรร ม, ค, รรสมสคุณของพระอริยสงฆ์สาวกคุณของพระบุรพาาจารย์ ผูาวายจาร์ที่เป็นที่เครรารพารัทธาเป็นผู้ให้มรดกศิษย์ทำเป็นเตเสียนที่ได้ช่วยแนะนำท่องสอนทำความรู้จิตให้เป็นความรู้ถูกทำความเป็นจิต ทุกความเหตุู่เกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจของพวกเรานเมื่อมาเราลึกถึงคพลังที่กาวมาใจของเราฟังรู้เรื่องใจของเราที่ได้มีเจตนาอันดีที่ได้สทงการ หรบังคับบัญชาให้กายของเรานี่มาสู่สถานที่แห่งนี้ไม่ว่าใจก็มาด้วยตายมาใจก็มาด้วยหรือใจมาหรือายมาด้วยไมว่าเราเอาตายเอใจของเรามาหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเรามาด้วยธรรม ด้วยธรรมกายเป็นรูปปรําใจเป็นนามธรรมเมื่อมาแล้วก็มาเพื่อเพิ่มคูณบุญบุญสนุณ ง, งามทานดีเพื่อได้ให้ทาน เลสราวัตุทานแล้วก็ได้ทำไปแล้วเพื่อได้สมาทานเจตนาหมดเร้นแจกบ า, าการโทษทางกายายวาจาแลทะาาทางจิตใจเเจตานาสมาทานสิ่งศิษยาบททั้าประการที่แต่ประการที่เรียกสมาทานสี เป็นแต่สนหรืออัฐสีโภชนสีหมนเว้นแต่โคดาางแตานก็ได้มีเจตนามีการสมาทานได้แบบสัรวมปฏิบัติรักษาสรวสมกายสัรวมร ว, วาจาสัรวมจิตใจ ให้มีสติความระลึกรู้เพื่อ้มีเจตนาควบคุมใจของเราใจควบคุมวาจาควบคุมกายในตามลำดับเพื่อให้เกิดความเป็นบุญคือความเยือกเย็นเป็นสุขทางกายทางวาจาและทางจิตใจ เดียวกับสินสินคือความเย็นสิคือความบริสุทธิมม์จากโทษจากบากปเรากระดัสัรวมทำให้เกิดให้มีขึ้นในรูปรธรรมนา ม, มรธรรมคือกายกับใจของเราเลแล้วเราได้บุญได้ความปีติเอือที จากการดานให้การักการเสียสละวัตถุสิ่งของภายนอกว่าออกมาจากจิตใจมีใจเป็นตัวเหตุมีใจเป็นต้นเหตุมีใจเป็นต้นปัญหานมีใจเป็นฐานที่จะทำให้เกิด บุญคือความสุขคือสนคือความฉลาดเรารู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเย็นดูความจริงดูตามาความเป็นจริงในเหตุและผลต่างๆมีอาศัยใจมีความเยสละอาศัยใจมีความสมรวม ความระวังมีความรอบรูปมีความระีบรูที่นี่เมื่อเพื่อให้เกิดความเป็นบุญอันยิง่งคือให้เกิดความสุขอันยิง่งเกิดจากปัญญาปัญญาที่เกิดจากจิตใจของเรานี่เอง ว่ามีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเพืความสลาดน์เพื่อความรอดรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะรอดรู้มีความเฉียสาดมีความรู้เท่ารู้ทันรู้เสียแรงในเหตุและผลซึ่งเป็นธรรมชาติการความเป็นจริง สายปัญญาเพราะฉะนั้นการความธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้ได้สิ่งปัญญาความรู้ความเข้าใจรือทาให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามในโอมะ ท, ท่านกล่าวไว้ว่าปัญญาสมาธิิหรือว่าสมาธิคือปัญญาเห็นชอบเห็นชอบตามความเป็นจริงของสัจธรรมเช่นเห็นทุกทุกคือสิ่งที่ธรรมยา ทุก ค, คือความเร่ารอ้อนความจิต อ, อัดอัดอันตัณใจความเสื่อมเสียใจรวมหยดเป็นทุกในที่ท่านสแสดงไว้ในภผษษู้ัข้าใจอันโคตณปนิดังดุขั้มระยะสุดจังชาติปีตุขะเสราปีตุขะเมรณนปีตุขะโสกปริเทวาทุกขโทมะนะัส โอกาสทราบดูขังอภิเยสัพยโยรโขภิญญีสัพยโยโขยังมีช่ำนาราปฏิกันดิขังเนี่ยจะเป็นอาการแห่งความทุกข์ด้วยความร้อนร้อนด้วยความสายแสบด้วยความตะวันตะวานด้วยความอิดอัดอัดอนตั้งใจ มันได่เป็นความรอดโปรมันเป็นความโล่งความสบายรวมเนื้อเร่าเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเรามีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ในอาการแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นคือว่าชาติทุ่ผูา ทุกความเกิดชาติความเกิดคือมีอความเกิดขึ้นมาอันเดียวเท่านั้นแหละทุกทั้งหลายรวมลงในการเกิดท่างถึงโยชาตถึงทุกขา์าถึงในเรต้นมีการเกิดขึ้นมีรูปมีตายจิตใจในสัมประญญะ ด้วยความทานกลมที่ได้กระทําที่ได้สังสมที่ได้อบค่าสมาคมที่ได้สัมผัสอยู่เนือเนืองเยป็นเกิดเป็นมิสัยเป็นอนุนสัยเนที่จิตใจของเราอันเรียวว่าเกิดขึ้นจากกรรม ประธานมีกรรมคือการกระทหรือการนึกการคิดการนา ร, อนรึอยู่สัมผัสล้บรูปอยู่เงินเงินสัมผัสล้ำูปอยู่ในส่วนที่ดีที่เป็นผู้สนเพื่เป็นเหตุให้เกิดความสบายใจความจีิใจความ ลอยโปรงใจถ้าไปสัมผัสสัมผัสอยู่แบบเรื่องที่เป็นกุศลก็ให้เกิดความเหนียวแห้งใจความปวดความเกลียดความโรคความหลงมจิตยืดจิตยืดจิตมานัทิศจิตความถื้อตัวถื้อตนก็จะเป็นเหตให้เกิดความ เศ้าหมองเกิดความคับเทืองเความคับแค้ใจคับเทืองใจมันมีกรรมกรรมมันมีสองอย่างตามที่เป็นบุญหรือตามที่เป็นบาปเี่ยวว่ากุศลกรรมการฉลาในการทําการดีในการคิดดี ในการรู้ดีไอ้ món, ํานลกรรมกนไม่สลาดตะควหลงความยึดความถือริ้ตัวถตนไม่มีความสลายในการนการคิดในการรู้ในการกระทําแต่ทําให้เกิดความเศร้าหมองความ มุนวายความร้อนรอรอรอในจิตใจของเรา ใ, ใจเท่านั้นเป็นที่รวมหรือว่าใจเป็นฐานใจเป็นต้นเหตุใจเป็นประธานใจธรรมดาเลาตามธรรมชาติตามธรรมดา ใจของเราเป็นธรรมชาติรูปแต่ไม่มีตัวไม่มีตนหมือ น, นรูปร่างกายรูปร่างกายมันมองเห็นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นรูปทือว่ารูปประธรรมก็สามารถมองเห็นด้วยจักูุเนื้อคือตาละมารูปธรรมตูกต้องได้ด้วยกายสัมพันธ์ มีเรื่อป็นรูปประทับส่วนใจนี่รูปคำด้วยมือไม่ถูกตามองตรงไม่เห็นแต่หากรู้ด้วยใจเองมชาตาริตารู้ใจคือความรู้ความรู้คือใจง่ายดีว่าความรู้รู้ใจใจทำไหวใจคือความรู้ ใจรู้ใจใจรู้ใจใ จ, จสัมผัสใจอันนี้แหละเป็นเพตเป็นประธานเป็นเหตปจัจจัยที่สาคัญมีความเป็นใหญ่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ใจาาโโ ท, ท, ท่ามโนภูพังธรรมธรรมามโนเสถามโนมายา ทำทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นฐานรองรับเป็นที่ประสมแหงบุญกุศลความดีและความชั่วทั้งหลายสุ่เรื่มทุกประสมรวมรงมีใจเป็นผู้รับรู้สัมผัสทันัันเมื่อใจเป็น ฐานที่สําคัญเพราะฉานั้นจึงต้องมาการประพฤติปฏิบัติธรรมบรุษสร้างบุญกุศลพลางปาลีก็ทําเพื่อใจสร้างบุญสร้างเพื่อใจฟังเทศฟังธรรมะก็ฟังเพื่อใจแสดงรู้แสดงสลายเจริญเมตตาภาวนาก็เจริญเมตตาภาวนา เพื่อให้ใจของเราสงบสงัดจากสิ่งที่เป็นท่าสึกของใจสงบสงัดจากสัญญาอารมณ์ความชิดปุงแต่ไมมีที่จกที่สิ้นจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมจึงต้องมาอบรมสติบัติเานเมตตาภาวนา เืิเป็นการอบรมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นขณะนี้เราฟังธรรมะเองฟังด้วยใจที่ตามมาและแ็ได้น้อมใจสติรวมเข้าสู่ใจของเราความรู้ที่เป็นธรรมชาติรูปธรรมชาติเดิมคือว่าใจคือความรู้ที่แน่วแน่ เป็นหนแต่ที่นี่มีอาการของใจของความรู้ที่ส่งสายแสบใ่รับรูปตามสิ่งที่สัมผัสตะหานหมตัดทางก า, ายหรือว่านึกคิดขึ้นมาภายในใจเรียกว่า าอารมันนิภารมภารมที่เกิดขึ้นกับใจเส้นขนานนี้เรานั่งหลักกาอยู่กำหนดรูปความกระแสธรรมแต่บังเอิญมันแย้มไปความรูปไปสัมผัสโน้นตั้งตแต่ปีการือตั้งแต่วันที่ผ่านมามีเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยาไปจับสินั้นเป็นเครื่องรูปเป็นเครื่องระลึกธันบรานึณิด พุ่งอยู่ในจิตไปตามอารมณ์นั่นก็เลยลืมจากอารมณ์ที่กําลังฟังธรรมะอยู่หรือว่าลืมอารมณ์ที่สัมผัสกับกระแสะแหธรรมะในปัจจุบันในเรียก ว, ว่ามันเป็นกระแสะของความรูปหรือว่ามันเป็นแสงเป็นกิริยา ที่ออกไปจากความรู้เดิมที่เป็นฐานคือใจของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งที่ร่องรอยแลบสิ่งที่อยู่ข้างนอกภายนอกเราฉะนั้นตั้งสติให้ดีต้องรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันใขนขณะนี้เดี๋ยวนี้ความรู้คือใจของเราอย่าว่า เมื่อรู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบในตนทั้งภายในภายนอกถึงเรียวกว่าเป็นความรู้แห่งความตื่นความเบิบานเป็นพุท ธ, ธะคาว่าพุท ธ, ธะก็คือจใจคือความรู้รู้ตื่นเบิ่บานรู้ละรู้วาง สิ่ที่เป็นโทษทั้งหลายรูปเหตุและผลรูปโทษและคุณทั้ศีิทั้งหลายทั้งปวงแ ล, ล, งวลง้วก็กเป็นผู้เบียดเอยู่เฉพาะความรู้ของตนเองอันนี้เรียกว่าความรู้เป็นพุท้าพุท้าคุณพระพุทธเจ้าพะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิบาลเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณและต่อพระบริสุที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์หมดจดไม่มีแห่งปัจจัยที่จะทําให้เกิดความรร้อน เกิดิริยาแห่งความไม่บริสุทธิ์แห่งความเศร้ามองไม่มีเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันบริสุทธิ์หมดเกิดจักอาสวะทั้งหลายและคําว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือบริสุทธิ์จากอาสวะเครื่องเศร้ามองทั้งหลายทั้งปวง คำ ท, ที่ว่าพระปัญญาคุณก็้รกอด้วยพระปัญญาคุณก็ปัญญาที่พระองค์ได้สังสงมบมบรมบ่งอินทรีย์แห่งปัญญาบา ร, รมีนั่นเองเรียกว่าสังสงมบมบรณบ่งึกหัดปฏิบัติชำระด้วย สติสมาธิปัญญามาโดยลำดับจนเป็นพักปัญญาคุณอันบริสุทธิ์คือปัญญาไม่แทกซ้อนปัญญาไม่มีความเศร้าหมองไม่มีอาสวะแทงซ้อนอยู่ในปัญญานั้น ในจริงเดีว่าปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์คือปัญญามีปัญญาอยู่แต่ปัญญาที่ญญ ย, ยังมีความ โ, โรคโกรธหลงมีความรูปกิเลสกิเลสซ่ซอนอยู่ในปัญญาจึงเป็นปัญญาของกิเลเป็นปัญญาของมารเป็นปัญญาของสมุทยัย เมธภพเกิดเป็นปัญญาโรกีที่เรียกว่าปัญญาโรกีที่พวกเรามีอยู่ปัญญาที่เราใช้มิมมนิสัยมีนิจิจาทณาให้ควรประกอบกิจการงานในโลกเมธประสาทปัญญาเหมือนกันนี้เรียกว่าเป็นปัญญา โลกียะก็เป็นปัญญาของกิเลสอยู่นั่นประกอบด้วยอาสวะเป็นความไม่บริสุทธิ์อยู่ส่วนปัญญาโลภุตระปัญญาแห่งความเป็นพุท ธ, ธานั้นเป็นปัญญาที่รูปเหตุรูปปัจจัยรูปที่เกิดและต่รูปผลที่เกิดจากเหตุ น, นั้น ปัญญาลู้รอบในจิตในใจของตนเองคือรู้เห็นอนิจจ์ทุกข์งมานาตาตามความเป็นจริงรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์รู้หนทางที่จะบกตกปฏิบัติทำให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ เป็นปัญญาโรขุตระเป็นปัญญาที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจบโดยสิ้นเชิงได้เ <ME> ER, มืเ่อบริสุทธิ์หมดเกิดเป็นปัญญาทัทานพี่กล่าวว่าเป็นพุทธะเป็นปัญญาแห่งพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้รู้เป็นความลูกของพระพุทธเจ้า เป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าในพวกเราจึงได้พึ่งพาสายพาระพุทธเจ้าอยู่แบบคุณของพระพุทธเจ้าทางภาสิกียกขึ้นว่าอัตตมาโนโภคุณของพระพุทธเจ้าไม่กีประมาณคือคุณแห่ง พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาี่คุณนั่นเองไม่มีประมาณหารายเลียนเทียบเท่าเสมอเหมือนไม่มีที่พวกเราได้มารู้ดีรู้ชั่วรู้ชิดรู้ถูผรู้บากรู้บุญรู่คุณรู้โทษรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุให สงบระงับทุกข์เหให้เกิดความสุขบางบริสุทธิ์เหให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานเราได้ขึ้นพาใส่มีพระผู้ป็นเจ้าคือท่านผู้รู้ตื่นเบิกบานแล้วทิ้งข้อด้วยความบริสุทธิ์หมดเกิดแรกวมอประการสอนธรรมะด้วยความอุตสาหาัน ที่ย่าไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหนื i อยของน้อองค์ที่เราคยเจ้ามท่านรู้ตื่เบิกาแลว่ได้นธรรมมาสอนใ่พุทธบริษัททั้งหลายลองนดดูลองกำหนดทำอนุบาลสัญญาของเราดูว่า เมื่อพระองค์ได้แต่สรู้แล้วได้รู้เข้าใจในอริยสัจธรรมทั้งสีประการและวได้ทรงสเสด็จ ด, ด้วยพระบาทในเรื่องตนเป็นโรนกรปัญจวัคคีย์นูลสีธรรมะที่ปาริสีทัะตนะมารุตายาวันแหงเมืองพาราสีนั้นทรงสเสด็จจากุลเวลาเสนาณิคมแห่งปัญมคต เป็นถึงแปรงกาสีเป็นเวลาแรงเบือนที่สเสดยเกิเข้าวบาตด้วยพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเองว่าธรที่พระองค์ได้รู้แล้วได้เข้าใจแล้วได้เห็นแล้วได้ทําที่สุดแห่งปุกโดยสิ้นเชิงแล้วจะไปประกาศไปสอน ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เห็นว่าคือสีทั้งห้าที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์ที่คอยอุปถัมภ์พระองค์อยู่ในคราวก่อนหน้ที่เมืองพราราณสีเป็นผู้ที่จะมีอินรียคือปัญญาที่จะสามารถรู้เข้าใจในธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดง ามารที่จะทำปัญญาให้แก่แง่เป็นปัญญาบริสุทธิ์ได้พระองค์กินเดด้วยข้าบาทไปตัวจนถึงไม่เห็นแก่ความเหน่เลยทุกข์ยากลำบากของพระองค์เลยมีประเทศสอนปัญญารักีทั้งห้ามีปัญญากนปัญญาจนในรู้ได้เข้าใจในธรรมะ คืความเห็นผูกเห็นข้<ม>อเกิดขึ้นภายในดวงใจของพระอัญญาโกอัญญาว่า<ม>สิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั<ม>้นก็ต้องดับคือถ้ามีการเกิดก็ต้องดับคือถ้ามีขึ้นแล้วต้องมีเสื่อมต้องมีเมื่อมีพราะว่ามีก็ต้องมีไม่มี ไม่มีกับมิกับเทอมีอยู่ด้วยกันซึงว่ามีความเกิดได้ก็มีความเสือ่อมความดับาะท่านก็านยากรหันญาท่านได้ฟังธรรมะเนื้อหาในพระธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นว่าความจริงสี่ประการทุกสมุทยัยมีโรธ ในมรรคนั้นก็มีสมาธิฏฐิสัมมาสังกัปโปสมาวายาสมาคมันโตสมาสีวสัมมาวายาโมสมาสติสัมมาสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอริยสัจคือความจริงแห่งสีประการความทุกข์คือความทนยากซึ่งเป็นทุกขสัจเป็นความจริงอยู่ สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเนี่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนต้องเปลี่ยนแปลงแปรปวนนี่แหละเป็นลักษณะเป็นอาการแงความทุกข์คือทนอยู่เป็นปกติตลอดอนันตการไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงปลปลไปถึงว่าเป็นความทุกข์เมื่อมันมีทุกข์น่ะมันจึงมีไม่เทีย่ยงหรือมันมีไม่เทีย่ยงมันจึนเป็น ไม่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นของของเราตามสมมติที่ความหลงได้กเกิอดอุปทานเขาประยุกต์มั่นชือมั่นว่าร่างกายนี่หรือจิตใจนี่<ม>เป็นเราเป็นของของเราในข้อม็นจริงรู้ตามเป็นจริงแล้เรือ แม่ร่างกายของเรานี่ก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของลองเราจิตใจที่เป็นผู้รู้ทรมชาติรู้ก็ไม่ได้เป็นเราไม่เป็นของของเราไม่เป็นอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติของกิ่งของเขาคือความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นทร่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่นีนั่นนีนี่เพราะเราไปสมมติต่างหาก สมมติขึ้นมาเพราะฉันเมื่อสมมติมีมันเกิดขึ้นด้วยสมมตินันก็ะตั้ดับถึงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรูปร่างกายมีการเกิดขึ้นด้วยการระชุมแหงขาดปีนน้ำไปลงอากาศสธาตุและก็มีวิญญาณธาตุที่ธาตุรูปเข้ามาอาศัยกัน เป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นธาตุที่มีชีวิตเปลี่ยนไว้ไปมาได้รู้สึกนึกคิดอย่างในตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่ขณะ น, นี้เรามีความรู้สึกนึกคิดมีความเสวยความเจ็บความปวดความทุกข์ร้อนไม่สบายสามารถเสวยสัมผัสได้เพรามีกายกับใจ คำประยุก์กันอยู่นั mm hmm. ่นคือเป็นทุกข์เมื่อมันมีการเกิดขึ้นอย่างนีง้ถ mm hmm. ิงว่ามีทุกขอยู่ในตัวของเขา mm hmm. แล้วก็มีความดักไปถึงว่าเกิดขึ้นดันไป mm hmm. ไม่ใช่ตัวตนนี mm hmm. ่จะรู้จะเห็นได้ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ คือปัญญาที่เป็นมรรคเป็นมรรคษรปัญญาในองค์มรรคคือว่าสีสมาธิปัญญามีความเป็นจริงทุกความจริงทุกนี่มันเป็นผลแต่ยกขึ้นในเรื่องต้นเพื่อให้สาวไปหาเหตุเพื่อให้กำหนดลูกที่เยนาไปถึงเหร น, นจริงว่าทุกคนกำหนดลูก ก็มารู้ว่ามันคนอยู่ได้ยากเป็นทุกข์เจ็บปวดทุกราบหรือแต่กาับทำลายไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์ทอนิจจังอนัตตาอยู่ด้วยกันอาการของธรรมั้งสามประการคืออนิจจังทุกขทังอนัตตาอยู่ด้วยกัอ น, ก อ, นกอยู่ใน ลักษณนเดียวกันก็ยังให้กำหนดลูกทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดลูกเอาทุกนี่แหละมากำหนดรูกกำหนด ท, ที่พิจารณาเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือเราอยู่ธรรมาเกิดความเจ็บความป่วยไข้เกิด ท, ทุกขเว ท, เวทเวาวนาจาก คนเจ็บป่วยไห้เจ็บท้องปวดศรีษรษะเจ็บแข่งเจ็บ้าอะไรก็แลแแแ้วแต่แสดงทุกข์สัต์ขึ้นมาภาพริงขึ้นมาทางรูปประทาหร่างกายัอหงหราและเรามีนามมาทางปอใจเป็นผู้รู้เป็นผู้สัมผัสรับรู้ว่าเจ็บตรงห้องปวยตรงนี้น ที่ี่เ่มันอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านจงว่าให้กำหนดรูปคือไม่ใช่ละไม่ให้กำหนดลไม่หาวิธีละทุกพรามันมีแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วให้กาหนดรู้คือว่าเอาทุกเอาความเจ็บปวดนี่แหละมากำหนดรู้มาพิจารณาที่ าอาจารย์ท่านสอนว่าให้พิจารณาด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาทุกที่เกิดขึ้นก็ไปเข้ากันกับธรรมสติปัฏฐานสฐานที่กำหนดรู้ตายเวทนาจิตทัศนำว่าทุกกรเรียกเป็นทุกขเวทนานั่นเอง มีความสุขควาสบายก็เป็นสุขเวทนามีกําหนดเอาเวทนาคือทุกขเวทนาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแต่เรานั่งนานหรือเราเป็นโรคไข้ไขเจ็บภวนายกเอาโรคที่เกิดขึ้นให้ได้รับทุกขเวทนานัมากําหนดรู้มาคิดพิจารณา ให้ควรตั้งสติระลึกรู้ปัญญารอบรู้ในทุกขเวทนาในความทุกตะ น, นั่นแท mm hmm. ่งเวนอยูด่ด้วยสติสัมปชัญญะ mm hmm. คือความระลึกรู้และความรู้ตัวด้วยปัญญารอบรู้ mm hmm. ด้วย mm hmm. ช่างจานแท่งไม่ข้อถอย เอาความทุกนั้นแหะก็เป็นอารมณ์แห่งการรู้การคิดกพิจารณาเมื่อจิตนี้มันมีที่เห่ที่ดูอยู่มันก็จะไม่แสบสายไม่คงท่านไมุ่้งแต่งไปกับเรื่องอื่นแต่ดู อ, อยู่ในสินเดียวตุดเดียวก็จะรวมรงม สู่ความเป็นหนึ่งแห่งความรู้คือความเป็นหนึ่งของใจนั่นได้โดยอาศัยทุกเป็นเป้าหมายและปัญญานิพิจารณาโดยอนุมาลในเรื่องต้นด้วยปัญญาอย่างๆที่กําหนดรู้ทบควนให้ควรไปมาอะไรเป็นทุกอะไรเป็นผู้รู้ทุกอะไรเป็นผู้เกิดแห่งทุก ให้คว น, ท, นที่จ ะ, ะ น, นั่งในเตียงโต๊ะก็ด้วยบารเข้มอยู่ด้วยสติสมาธิที่ยังยห้่ละเอียดนมื่มันจดจอเั้งเขา้าจดจอทั้งเข้าจะเป็นสมาธิที่แน่วแน่จะเป็นสติที่แน่หนามั่นคงเป็นกายเป็นสมาธิที่แน่หนามั่นคงและปัญญาที่ประกอบด้วย สติและสมาธิเป็นเครื่องหมนุนเป็นตัวให้ปัญญาเดินก็ต้องอาศัยสติสมาธิเป็นแรหมนุนปัญญาให้พลิกแทงหรือว่าดูจนละเอียดแล้วอธิพุวนว่าอะไรเป็นทุกแท้ปีญญาแห่งฟุกเพื่อการแห่งฟุก มันเป็นอะไรแล้วมันสัมผัสที่ไหนใทยเป็นผู้รู้ทุกข์ประเทเป็นผู้ว่า น, นี่คือทุกข์แต่เมื่อมันไปชงด้วยสติได้สมาธิปัญญาตรงตืนกันอยู่ในความทุกข์กันมันก็จะแยกกันออกได้จิตก็คือความรู้หรือความนึกความคิดมันก็จะแยก เมื่อรวมเป็นความสงบเป็นความแน่แน่ลงไปปัญญานี่ต้เรแต่เห็นว่าความนึกความคิดนี่เป็นอันหนึ่งที่เรียกาจิตตังสอนผู้รู้นึกรู้คิดนี่คือใจคือใจหรือปัญญาปัญญาใจใจแท้ใจเดือง มันจะแยกกันออกไปความรู้เป็นความรู้อันส่วนอาการเวทนาที่ว่าทุกมันก็เป็นอันหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันลักษณะอาการคือว่าทุก เ, เวทนาก็เป็นอันหนึ่งลักษณะแห่งความรู้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็งกายที่เป็นรูปก็เป็นอันหนึ่ง เมื่อไปซุมสติและสมาธิปัญญาลงในเป้าหมายที่เราเพ่งที่เราภาวานาจดจ่อดูจะแยกออกไปสุดท้ายทุกพเวธนาความเจ็บความปวดหายไปความปุงฟุง่งซัดสายอย่างอื่อนก็ไม่มีก็เหลือแต่ความรู้ คือเป็นธาตรูปคือใจคือผู้รูปเป็นหนึ่งของผู้รูปปัญญาที่เป็นผู้แจงแจงรอบรูปก็เป็นอาการหนึ่งเมื่อมันแยกกันด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิและปัญญาอย่างนี้น เราก็จะรู้ความจีิแห่งธรรมะว่าใจของเราเนี่ยกับอาการต่างๆมันเป็นคนละอยา่างแต่อาศัยใจนี่แหละเป็นที่เกินเป็นที่รู้เป็นที่สัมผัสเช่นร่ากายอีกคือการประสูมแห่งข้าก็มีความเป็นอยู่มีชีวิตสืบเนื่องกันอยู่ได้ด้วยกำลังของใจ โดยพลังแห่งใจคือ่า้รู้นีและทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์าาก็อาศัยเกิดทุีิใจสัมผัสที่ใจนี้คือผู้รู้นีและอาการแห่งปัญญาที่เราฝึกฝนที่แทนแย่งแยะทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ปัญญาอาศัยใจที่เกิดขึ้นเป็นที่เกิดของปัญญาถ้าไม่มีใจไม่มีผู้รู้ไม่มีท่ารูปรป้ปัญญาก็มามีที่เกิดไม่มีที่สังหารรวมสีสมาธิปัญญาจึงว่ารวมอยู่ที่ใจแต่ความจริงเลียเขาเป็นคนและสิ่งและอย่างอนในเมื่อมาคือขอ้อปฏิบัติ เพื่อให้รูปความเป็นกิงของของทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วคือปัญญาก mm. ็จะไปแยกแยะแวความริงนั่นแหละเมื่อตํมารูปความริงเนทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในใจในผู้รู้รูนันไม่มีแต่มีมันก็มีโดยสัจธรรมของเขาในการตาเนมารูปทุกข์ เพื่อจะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในการเข้าใจด้วยปัญญาหรือเป็นการ เ, เข้าไประนับทุกข์ด้วยสติและสมาธิเมื่อมันระนัดหรือมันปล่อยวางด้วยอำนาจของปัญญาและในใจเป็นธรรมชาติ รู้ไม่หลงเลยก็ไม่มีอะไรแต่มาเป็นคิดเป็นไัยต่อความรู้้นั่นเองเทวส้นสุดอุปาทานความยึดขิดเชินขิด ด, ด, ด, ด, ด้วยอำนาจของปัญญาสมาธิขีดคือความเห็นชอบตามความเป็นจริง่นะ ทุกข์ถึงจีอยู่ก็มีเป็นธรรมชาติของทุกข์แต่ไม่มาทุกข์ที่ใจทุกข์ไม่กลมกลืนออกับใจมันแยกกันออกใจกเป็นใจผู้รู้เป็นผู้รู้การแห่งทุกข์ก็เป็นทุกข์เมื่อมันยังมีการสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างกายกับใจทุกข์ก็จะทาทพพิ้งทิ้นที่ ตายที่ลูก ป, ประคันรืออ่องกันแต่ใจไม่เป็นพพด้วยเพราะวแยกกันออกไปด้วยปัญญาอันชอบเลยนี่คาสัจธรรมทุ ก, กันกำหนดรูปทั้งให้กำหนดรู้อย่างนี้ส่วนสมุทัยเหตให้ทุกเกิดให้แก่ตันหาที่ความอยากความอยากนี่ก็เกิดขึ้นที่ใจเนี่ย ไมด้เจอชื่นที่ไม่ได้เจอชื่นที่เมื่อที่หนังไม่ได้เจอชื่นที่แข้งขาที่เอ็นที่กระดูกอะไรของเราไม่ได้เจอชื่นที่ดินน้ำไฟลมปัญหาทุกอย่างเท่าชื่นที่ใจที่ผู้รู้นี่แหละมนเนาการความอยากเมื่อมันเมื่อทุกข์เกิดขึ้น รู้สึกเกิดขึ้นวามยาไม่รู้ตามความเป็นจริงก็งเกิดความอยากที่เรียกสมุทยัยความอยากอยากให้มีให้เป็นอยากไม่ให้เป็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากสุอยากสบายอย่างนันเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจท่านดีให้รู้เท่าความอยากนี้ด้วย สติสมาธิและปัญญาด้วยด้วยมั่นรู้เท่าความอยากด้วยมั่นคือสีสมาธิปัญญาได้แต่สติสมาธิปัญญาควบคุมกันว่าอะไรอยากอย่ากเกิดจากเหตอะไรเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ความจริงในวความสุขเกิดขึ้น ขัดตายก็ อ, อยากให้สุขอย่ากให้เบื่อไปอยากทุกข์เกิดขึ้นกหลงอยากให้ทุกข์ดัดไปมาพิจารณาความอยากรู้เท่าความอยากที่ท่านว่าความอยากมีควรละสมุทัยควรว่จะละความอยากนี่ละได้ด้วยสติสมาธิปัญญา ด้วยมากคือสติสมาธิปัญญารู้เท่ารู้ทันภายในความรู้คือใจของเร า, วามวนอยากเกิดขึ้นเมื่อกายสัมภารวอนเย็นอยากให้เย็นอยู่อย่างนั้นสบายอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันเป็นไปไม่ได้ถึงใดเกิดสิ่งนั้นต่บ เมื่อมีความสุขอยากให้สุขตลอดไปเมื่อทุกข์เกิด อ, อให้ทุกข์หายไปดับไปก็เลยกลายมาเป็นทุกข์เพราะอุปทานเพราะประยุทด้วยอำ น, นาจของความหลงที่ใจที่เกิดขึ้นที่ใจพัฒะะนารูปเท่าทันความอ ย, า, อยากใช้ปัญญาที่ยิ่งขึ้เดินมาสอนใจแต่สิ่งที่ยาก อย่างไรมันเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรเพราะถ้ามันอยากแล้วมันเป็นโทษววความอยากเกิดขึ้นท่านก็บอกความอยากนี่แหละเป็นลูกสอนทิ้นแทงใจคือความรูร้ความจริงก็ไม่ได้ทิ้งแทงอะไรแต่ว่าความรู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ประกอบเพื่อปัญญาชอบมันก็หลงยึยงเดเรียก ว, ว่าอุปทาน เ, เราไปเย็ด้วยความหลงด้วยความแม่ลูกตามเป็นจริงไม่ต้องใช้ปัญญาอรอบลู่ในความอยากการอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นไปท่านจะทำท่านสี่อย่างที่ว่าทุกสมุทัยโรดมานจนทุนกมันเป็นผลเหตที่จะให้มีความทุกข์ไปจเกิดขึ้นขพรความอยาก มักในนันเป็นการปฏิบัติที่จะไปลบล้างความอยากนั่นให้ความอยากไม่มีทุกข์ก็ไม่มีคำว่าความดับทุกข์ทุกข์ก็ดับไปหรือว่าความแจงแจ้งนิโรธัสมีโลทควรทำให้แจ้งก็แจ้งด้วยสติสมาธิตัญญาไม่เองไม่ได้แจ้งด้วยอย่างอื่น จะแก้งด้วยยูยูเนี่ยจะให้แกงแก้งขึ้นมานั่นเป็นไปไม่ได้ต้องอาใช้เหตุให้เกิดความแกกแก้งหรือมากแต่แก่สติสมาธิปัญญาหรือสีนสมาธิปัญญานั่นเองในรวมลวงมาสุดท้ายการประพฤติปฏิบัติธรร ม, มหรือประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมเป็นเครื่องนำออกจาก ทกทั้งกาและทั้งใจได้อาศัยการปฏิบัติให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาคือให้ใจนั่นแหลให้ศีลสมาธิปัญญารู้สติสมาธิตัญยญ์เพื่อนข้นที่ใจมีขื้นที่ใจที่ผู้รู้นั่นเองเพราะออการปฏิบัติธรรม ท่านเป็นบอกเลยว่าสติหรือในหมวดธรรมวิภาคธรรมที่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากคืออุปการะต่อธรรมประเภทมือยางหมือจะได้แก่สติมีความระลึกกลูมสัมพันสัญญา ความรู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมก็ดีเวลาเรากำหนดจิตใจรวมเข้าทำสมาธิภาวนาก็จริงต้องดูว่าสติความระลึกรู้มีกำลังไหมรอบรู้อยู่ในความรู้ในจิตของเราหรือในอารมณ์ที่ให้รู้ เอลมหายใจเขา้าหายใจออกระกรู้ต่อเนื่อแม่แม่เป็นสายโซ่หรือเป่าถา้ต า, ตถ า, ถามันขาดวักขาดตอนขาดตะพันระแทกถ้ามันขาดว่าขาดตอนขาดตะพันตะแทกอยู่จะไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นยิ่งต้องตั้งใจจงใจต้องหนดรู้กำหนดระ ล, ลึกรู้รู้เอาลมหายใจเป็นหลัก รู้หายใจเข้าหายใจออกหรือรู้ตัวคํามารู้ตัวคือรู้ใจระลึกรู้รู้รอบในความรู้คำว่ารู้ใจรู้รอบใจสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ใจรู้ความรู้เมื่อรู้ความรู้มันจะมีความนึกความคิดอะไร มันก็ไม่ไหลไปตามอ า, ารมณ์ น, นั่นให้ชีวิตมันพุ่งโตพุ่งโตมันก็จะกรมตึนกั น, กนอันนี้ปฏิบัติให้ตอนเนื่องกันไม่มีกา ร, ไ ม, มการไม่มีเวลาแล้วกำหนดเป็นคั้เป็นข่าวอันนี้เป็นการฝึกสั่งสมเพื่อให้มีกำลังเพิ่มพูนขึ้น ที่นี่จะให้มีกาลัง ม, ม, มากๆให้มีกาลังต่อเนื่องกต่เรต้องให้ถอดสุราติว่าธรรมะเป็นอาการลิบโตไม่มีการให้มีเวลาเรากาหนดสติระลึกรู้เพราะว่าความรู้เป็นอาการอันหนึ่งความระลึกรู้เป็นอาการหนึ่งกำหนดให้ระลึกรู้เป็นคู่กับความรู้คือใจ ให้ต่อเนื่องกัฉะนั้นเวลาภาวนาเป็นติงให้เอาคําว่าพุทธโธเป็นคําบริกรรมแล้วก็ระลึกรูกกรกร้กับคําบริกรรมกับลมหายใจเข้าหายใจออกสามอย่างลมหายใจคำบริกรรมแล้ก็ความระลึกหรือสติตรงคืนกัน เป็นอะไรอย่เดียวแั่แนเวลาเราหยุดนัง่งสมาธิภาวนาเราหยุดเกินตรงตรงหยุดเกินภาวนาแล้วจะเดินไปอะไรทำธุรกิจการ้านอะไรก็แล้วแต่ส่วนธรรมะไม่มีการไม่มีเวลาสติทำบริกรรมใจความรู้ ให้เป็นเพื่อนสองของกันและกันไม่และเมื่อตรงตื่นกันไม่ขาดวัคขาดตอนมีช่วงคําเผออในวัสติีสมบูรณ์และความสงบความเบากายเบาใจอาการที่แปลกประหลาด จ, จะแสดงขึ้นมาให้เราได้ รู้ได้สัมผัสที่ใจเห็นที่ใจรู้ที่ใจ เ, ออเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเนี่ยเราเดินอยู่กับสบายเราทำกิจการนานอะไรอยู่กับสบายไม่หนักไม่น่นวงเนี่ยเพราะอำนาจของสมาธิธรรมคือสตีต่อเนื่อง่ันเป็นทพลัง มันจะแสดงความเบากายเบาใจเบาเหมือนกัวบว่าตัวของเราลอยเราเดินไปตามพื้นดินเหมือนกับลอยไปลอยมามัมนจะแสดงให้เรารู้สังเกตเพื่อตั ว, ข, ตว ข, ของเราเีงเพื่อกำลังแหง่งมัดคือสติสติมัดสัมปชัญญะมัด วิจริญให้เกิดให้เป็นในจิตของเราสมาธิมั่งของมัน่นคงของความรู้คือใจไม่หวันไว้สาแสบตาจิตวิยาของสัำฐานคือจิตวิยาของสัญญาจำสิ่งนู่นหมายสิ่งนีป้ปุงสิ่งนัน้นนึกคิตสิ่มนี้ไม่ท่อเหลือ วันไหวไปตามมันก็จแสดงความมั่นคงแห่สติและปัญญาให้เกิดขึ้นที่มีเรื่องความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นนามธรรมอะไมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาได้ด้วยสังขารที่น้อยไปทั้งเดียวที่โ ที่ตรงิจาจา์คือน้อมความรู้ความนึกความคิดนึกคิดไปในทางทีมันเป็นจริงเพื่อท น, นิจารักธรรมนัตตาให้เอาหลักแห่งใจล้คือความไม่เคีียงความเป็นทุกข์ความที่วไมใ่ใช่ตัวใส่ตนเป็นนี้ ผลปัญญาเป็นยิ้มรับปัญญาให้ปัญญาที่คมหรือว่าให้ปัญญาให้รู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันกับลองเอาเหล็กเล็กที่มีสนิมเกากมากๆไปฝนด้วยยิ้มฝนไปจนสนิมนั้นรุนเอาไปก็จะเห็นแต่เนื้อเล็กที่ขาวบริสุทธิ์เป็นเนื้อของเหล็กที่แท้จริง ให้รวมกันใจนี vale. mm. claro. ่เป็นที่เกิดของอาสวะคือฆ่าลูกคือใจเป็นที่เกิดของอาสวะเป็นที่เกิดของความโลภความโกรธความโลงอะไรต่างๆที่เราทำให้ใจเป็นทุกข์ความจริงมันเลยเป็นทุกข์เป็นลูกลูกความทุกข์เกิดขึ้นเพราะนั้นเองรูปความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนกับความทุกข์ อยูในใจนั่นแหละแต่นี่เมื่อเรามารอร้อมด้วยอํานาจของสติสมาธิและปัญญาทุกข์ทั้งหลายเหล่านะั้นมันก็จะเป็นพนละอันบางไม่มาเป็นทุกข์ทีใจใจมเป็นทุกข์ทุกข์ไม่เป็นใจมันแยก <c oughs> เป็นกิริยาอาการแต่ละอ่านออกไป ยา ก, กันได้ด้วยหน้าของปัญญาปัญญาสติสมาธิปัญญาเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องขัดเป็นเครื่องรอร้อง เ, เครื่องกัดเป็นเครื่องขัดอสวะออกจากใจงั้นก็แปลว่ายิ้มันเป็นที่ขัดจะยิมเหตุเพราะเรน่อง อันิจ้กางทุกข์รอนันนตตาธรรมคืออันนี้จธรรมทุกขะธอนัตตะธรรมอันนี้เป็นหลักเป็นก้อนหินผลปัญญาเพื่อให้ปัญญานิพุิสุดหมดจดน้อมลงสูง่ตอนไม่เทีย่ยงตอมเป็นทุกข์ตอนหาตัวตนไม่มีเมื่อความอยากมันเกิดขึ้น อยากได้สิ่งมั่นอยากมีสิ่งมัน่นพน้อมลงสู่ความเป็นภูเขามไม่ใช่ตัวตนความเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้คือลักษณะ3นี่เขาเป็นลักษณะแห่งสัตนติธรรมคือความไม่เที่ยนเป็นภูเขาไม่ใช่ตัวตนที่เมื่อมาเข้าใจในนิจังภูเขาหน้าตา่าง ด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละอุปทานความยึดตัวยึตนยึดถืออะไรต่างๆทั้งหมดความที่เป็นตัวเป็นตนทั้งหมดมันจะสิ้นสูดลงสู่ความไม่ใช่ตัวใช่ตนที่ใจใจก็เลยไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายก็ไม่มีตัวไม่มีตนใจก็ไม่มีตัวไม่มีตน จึงว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากสมมติเพราะรู้เท่าสมมติว่างจากบัญญัติเพราะรู้เข้าบัญญัติจึงวางสมมุติวางบรรญัติก็ลงสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดาของธาตรู้ของความรู้ลงสู่ความเป็นใจรู้ธรรมดานธรรมด ย่ามีปีหลังไม่มีความโรคความปรดความรักความช้นเข้ามากิ้งแทงอยู่ในจิตใจใจมันมีความตึงเครียนต่อสิ่งเหล่านี้ใจก็ไม่มีภูมิจริงว่าแยกภูมิออกจากใจแยกพูกออกจากใจแยกภูมิออกจากกายแยกภูมออกจากสมมุติหรือแยกสมมุติออกจาก ความเห็นจิตในใจทำความเห็นชอบถึงว่าปัญญาสมาธิจิตทำความเห็นชอบมีความเห็นชอบเป็นผูกท่านมันทุกสิ่งทุอย่างมันหมดคิดหมดหายหมดปัญหาใดๆทั้งหมด สิ่งสุดปัญหาแห่งความทุกข์ความวุ่นวายลงจากคิดจางใจเป็นธรรมชาติรู้โดยส่้ยวเดียวเลยในการทุกทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยการบรรลุปฏิบัติตามหลักแห่งศีลธรรมบรทุกทั้งหลายได้ด้วย คุณของพระพุทธเจ้าค th ุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมแนะนำท่องสอนพวกเราตามหันทางที่ชอบหรือให้พวกเราเจอศีลสมาธิปัญญาให้ทาบุญทาทานให้รักษาศีลให้เจอเมตตาภาวนาให้ค้นคว่า ในรูปปรรมนามธรรมคุณงกายจับใจด้วยสติสมาธิและปัญญาควาชอบที่สร้างขึ้นให้มีขึ้นด้วยตนเองเมื่อเราได้ขึ้นเอาพุทีจารทำผสมขึ้นกุบายจารเขพุทีจาเป็นขึ้นได้ทำเป็นขึ้น ถ้าสมเป็นติพื้นอุบาจัเป็นติพ้นและก็จะรวมเข้ามาเป็นตัวของเราเองเป็นติพื้นของเราหรือว่าธรรมเป็นติพื้นของใจหรือใเป็นติพื้นของใจเองด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิถีทางการชองรวมเข้ามาแล้วเรียกว่ามีกายกับใจของเรา นนเ พ, พมมาเราะฉะนั้นให้ทำความเห็นให้ถูกมื่อเลยยินเนคฟังธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้สร้างสติและสมาธิให้มั่นคงและสร้างปัญญาช่องให้เกิดขึ้น ใ, ในกิจในใจของตัวเราเองแต่ละท่านแต่ละคนเป็นของจำพ่อตน ท่านเรีว่าปฏิบัดกตาเวยที่ตะโพลิบยีินยูโลผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองตัอตตนซึ่สิุกรบล้างความภุกออกจากกิจการใจได้สฉพาตตนเรียกว่าพึ่งตนเอง อากาศมีอัตโนโนาาิโถตนแรมเป็นที่พึ่งของตนในที่ในเร้่ต้นเราพึ่งพระพุยธเจา้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์พึ่งอุบายใอีกเป็นที่พึ่งจริงีอาศัยอีกเพื่อการสึบพันปฏิบัติที่ร่มรูปคุกคานให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาจีตนของตนเองสามารถ ควบคุมตนเองได้ทุกท่ก็พิบัติด้วยตนของตนเองให้เข็งแขรงขึ้นมาได้เป็นรู้จริงเห็จริงในสภาว่ธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาชอบดังที่กล่าวมาเราทุกเราก็จะได้เป็นผู้มีความสุขที่เป็นอมตะความสุขที่ไม่ตายสำหรับความสุขในโลกในโลกียละสุนี มันก็เป็นความสุขรุมรุมดอนดอนอย่งที่พวกเราได้รู้ได้เห็นได้สังขารมานี่แหละสุขเพความได้ความมีสุขเพาะอยาได้อะไรแตได้ตามความอยากได้มาแล้วก็เป็นพวกยาเงยนเรื่อยไปไม่มีที่ขึ้นจุดไม่เหมือนสิ่งที่ได้โดยธรรมคือปัญญาธรรม ความเข็งอันชอบซิ่งมีสติและสมาธิหรือว่ามีทานศีภาวนาเป็นเที่ยงน้นนี่แหละเป็นสมบัติอันเลิกสมบัติอันประเสริฐควาที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจของเราได้จริงจริงในวันนี้ได้นำธรรมะ ทำสอนพระองค์สมเด็จในสภาพระพุทธเจ้าให้นคุณของพระพุทธเจ้าประทำผสมอุบายใจมาซีแดงมาซีแจงแสดงเพื่อให้พวกเราท่านหลายได้ยินได้ฟังแล้วจงกำหนุนจดจำไว้ที่ใจและนำไปประปฏิบัติให้เป็นจิตวัดปฏิบัติให้เป็นนิจเสียง ขาดรักขาดตอนต่อใจนั <univers> had, ่นไปพวกเราแต่ละคนคือความศสกบูรณาการธรมะด้วยการทำบังนเองของเราแต่ละท่านแต่ละคนอยากจะยินดปฟังไดตรงโอกปนาิตโอน้องเข้าสู่ใจน้องใจของเราให้ดีในการต้องึ้ปฏิบัติตามศีลธรรม ที่กลาวมาและก็ระแต่รับความสุขความเจริญเพื่อหน้แานแห่งบุญของพระพุทธจ้าการทำโดยประสงค์บุญกุศลที่พวกเราทำหลาได้าทำความเพ็ยและด้วยบารมีธรรมขององค์ท่านต่อเฟืองโซติโปซึ่งเป็นต้ น, นเหตุเป็นฐานที่จะให้พวกเราได้ มาจะทำบัเฑิตคุณกุศลเป็นงานการดีในวันนี้จงรวมเป็นพระเป็นกำลังเป็นเดชานุภาพอันยิ่เป็นอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าอันุภาพแห่งคุณของพระธรรมอันุภาพแห่งคุณของพระอริยสมสาวกอัอนุภาพแห่งคุณ ของพระบูรภายจารุวายจารและอนุภาคแห่งการปรบทึกดีปฏิปัชอบของพวกเรานีเองจงเดินบรรดาลหรือเป็นกำลังให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญคุณงามความดีด้วยอาุ วันนักสุขล ะ, ะปฏิธา น, นาศาสารสมบัติมีความสุขายสบายใจถึงพร้อมด้วยสมบัติปัจจัยสี่เื่อนตาใสตามที่เราปรารถนามีความสุขายสบายใจ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกพันุทุกคนเธอ